พระวจนะที่มาถึงเราทั้งหลายในหัวข้อคนสุดท้ายของคุณปรากฏในพระธรรมปัญญาจารย์บทที่12บสองข้อหนึ่งถึงข้อ8และข้อ13ถึงข้อ14ความว่าในปฐมวัยของเจ้าเจ้าจงระลึกถึงผู้พระผู้เนรมิตรสร้างของเจ้าก่อนที่ยามทุกร้อนจะมาถึงและปีเดือนใกล้เข้ามาเมื่อเจ้าจะกล่าวว่าข้าไม่มีความเพลิดเพลินในปีเดือนนั้นเลย ก่อนที่ดวงอาทิตย์แสงสว่างดวงจันทร์และดวงดาวทั้งหลายอับแสงและก่อนที่เมฆกลับมาจะหมดฝนแล้วในการเมื่อคนยามเฝ้าเรือนจะตัวสัน่นและคนแข็งแรงจะคุดคู้ไปและหญิงโม่จะเลิกโม่เพราะจํานวนลดน้อยลงและบรรดาผู้ที่เยี่ยมหน้าต่างจะมืดมัวและประตูคู่ที่เปิดออกถนนจะปิดเสีย เมื่อเสียงโม่อ่อนอ่อยลงมีเสียงนกเสียงกาเขาจะลุกขึ้นและเสียงเพลงก็เผ่าลงเออเขาทั้งหลายกลวดที่สูงและสิ่งหน้า ส, สยดสยองก็อยู่ในหนทางต้นเอลมนมีดอกและตักแตนโม่เป็นภาระความปรารถนาก็ประลาดไปเสียเพราะมนุษย์กำลังไปบ้านอันาวรของเขาส่วนผู้ไว้ทุกข์ก็เวียนไปมาตามถนน ก่อนที่สายเงินจะขาดหรือชามทองคําจะบันไลยหรือเหยือกน้ำจะแตกเสียที่น้ําผุหรือล้อจะหักเสียณนะที่ขังน้ำและผงคลีกลับไปเป็นดินอย่างเดิมและจิตวิญญาณกลับไปสู่พระเจ้าผู้ประธานให้มานั้นปัญญาจารว่าอานิจนจังอนิจจังสารพัดก็อนิจจังและข้อ1 3ถึงสความว่า จบเรื่องแล้วได้ฟังกันทั้งสิ้นแล้วจงยำเกรมพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์เพราะนี้แน่เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทั้งปวงด้วยว่าพระเจ้าจะทรงเอาการงานทุกประการเข้าสู่การพิพากษาพร้อมด้วยสิ่งเล่นลับทุกอย่างไม่ว่าดีหรือชั่วขอพระเจ้าผู้ทรงเนรมิตรทุกอย่างอานวยพระพรแก่พวกเราที่ได้สดับฟังพระพรัตนะของพระองค์ สวัสดีครับพี่น้องผมเคยไปเทศนาอยู่ที่ทางภาคเหนือนะครับไม่บอกจังหวัดไหนอยู่บนธรร ม, มาสเนี่ยก็มองไปข้างล่างมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยตั้งใจฟังพระคำพระเจ้ามากๆคือไม่ตั้งใจมองหน้าผมนม่ตั้งใจมองพระคำพีถ้าแกประมาณนี้นี่ ผมมองจากละมาศก็จะเห็นว่าพระกัมพีเนี่ยปินอยู่ประมาณนี้ผู้หญิงก็จะตั้งอย่างนี้ไว้ตลอดแล้วสักเดี๋ยวก็มีมืออย่างนี้ไม่เคยเทศนาแล้วมีคนจดจ่อพระกัมพีมากขนาดนี้เลยจดจ่อมากเลิกประชุมก็เลยเดี๋วิ่งไปหาเขาเลยน้องโอ้ทับใจเทศมาหลายที่ไม่เคยเห็นใครจดพระจ้องพระเบียงอย่างนี้เลย ดูเบอรบีเมื่อกี้เปิดอะไรดูไม่ตั้งอาจารย์ไม่ตั้งเดี๋ยวขอดูหน่อยพอเปิดปุ๊บลายอยู่บนมือถือพระคัมภีร์ฉบับหน้าซื่อใจคดคิดจักวัฒนาไม่มีเลยดีดีผมไปฮ่องกงอะที่ฮ่องกงเนี่ยเขาติดหน้าประตูบทคิดจักที่ผมไปในราชการเขาติดอย่างนี้ สถานที่แห่งนี้คือสถานนำรส ก, การพระเจ้าผู้สูงสุดควรจะมีแค่สเสียง 1. เสียงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าสองเสียงอธิษฐานสาเสียงพระคำของพระเจ้าผมก็ถามอาจารย์ที่พาผมไปผมอาจารย์ทำไมจะต้องติดอย่างนี้สาประโยคนี้เขาบอกว่าอาจารย์ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีมันเยอะเดี๋ยวก็ติ๊งต้องติ๊งตอ ง, งอะไรมันเนี่ย ทางธรรงกิตก็เลยตัดสินใจว่าต้องเขียนไว้หน้าประตูโบสถ์เวลาเข้าพนิเวศต้องเขียนอย่างนี้งไว้ผมก็ถามดูว่าเอ๊ะถ้ามีคนไม่เชื่อฟังอ่ะยังเล่นไลน์เล่นมือถือนี่ทำยังไงแต่บางคนก็ไม่เชื่อฟังตอนนี้เขาบอกว่าเขาจะมีเจ้าหน้าที่ใส่เสื้อนิกไทย ด, ดีดีตั้งตัวดีดี ถ้าคนไหนคุยกันเล่นลายเขาก็จะเดินไปด้วยท่าทีสุภาพครับแล้วไปพูดอย่างนี้ขอโทษครับขอเชิญไปเล่นข้างนอกได้ไหมครับรบกวนนักเทศน์นะครับขอเชิญได้ไหมครับเขาจะพูดด้วยความสุภาพคือถ้าอยากเล่นลาย Facebook คุยกันเชิญไปข้างนอกเลยครับเขาก็ไปเห น, นือน่ะเขาสุภาพมากถ้าพร้อมจะฟังแล้วค่อยเข้ามาก็หวังว่าพี่น้องนะครับน่าจะมีบทเรียนบางอย่าง ในการเข้าเฝ้าพระเจ้าอิสยาบทที่6ข้อที่สผมเชื่อแน่นอนว่พี่น้องท่องได้เซเลฟิมบินไปบินมาต่อหน้าพระเจ้าแล้วร้องต่อกันและกันว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์3ครั้งบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์ทาไมเซเลฟิมทุ่สวรรค์ที่บินต่อหน้าพระเจ้าต้องร้องคำว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์ มีเหตุผลสามอย่างครับหนึ่งเพราะพระเจ้าของเราบริสุทธิบทธ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์นี่เป็นสำนวนของคนยิวเวลาเขาเน้นอะไรเนี่ยเขาจะพูดซ้ำๆเหมือนคนไทยฝรั่งกับจีนไม่มีคนไทยก็จะเข้าใจผมไปภาคเหนือเวลาถามคนไทยบ้านอยู่ใส่บ้านอยู่ไหนคนเหนือบอกว่าอยู่ปุ้นอันนี้ไกลๆบ้านอยู่ไหนปุ้นปุ้น อันนี้ไกลหน่อยบ้านอยู่ไหนปูนปูนปูเนี่ยอันนี้ไกลที่สุดบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์เซเลฟีพลังเน้นว่าพระเจ้าของเราบริสุทธิ์อย่าล้อเล่นอย่างที่สองทำไมต้องร้องบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์สามครั้งเพราะพระบิดาบริสุทธิ์พระบุตรบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างที่สาที่สําคัญผมว่าเป็นบทเรียนให้กับพี่น้องเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับ ถ้าสมมุติว่าบนเวทีนี่นะครับมีกองไฟอยู่กองหนึ่งมีกองไฟอยู่กองหนึ่งถ้าท่านนั่งอยู่ข้างหลังนะครับท่านคงไม่พูดคาว่าร้อนร้อนร้อนหรอกท่านจะพูดคาว่าร้อนร้อนร้อนต่อเมื่อท่านเดินเข้ามาใกล้ที่ไหนกองไฟท่านจะพูดร้อนเซลาฟิมทำไมร้องต่อหน้าพระเจ้าว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์เพราะเขาเก่าครชิดพระเจ้าวันนี้ท่านมาคิดจะจากวัฒนา ท่านมาทำพิธีกรรมทางศาสนาหรือเปล่าผมไม่ทราบน่าจะสํานึกนะครับคุณใกล้ชิดพระเจ้าต้องยําเกรงพระองค์หัวข้อที่ผมจะเทศนาในเช้าวันนี้นะครับก็คือคนสุดท้ายของคนนะครับร่วมใจนิฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าทรงอวยพระพรพระวจนะบงที่ข้าพุทธายจะศึกษาในเช้าวันนี้ขอพระขมงค์นั้นเลี้ยงดูชิดฝ่ายจิญญาณให้ข้าพุทธายเติบโตขึ้นด้วย ขอบคุณและขอมอบเวลาต่อไปนี้ไว้ในความรักเมตตาคุณพง์ขอพระเจ้าได้รับเกียรติขอพระเจ้าเสริมสร้างจิตวิญญาณของมาหลายทุกคนด้วยพระคําของพงษ์ด้วยอธิฐานในนามขององค์เบสก์พระเจ้ า, าข้อพระบีที่ผมเทศนานะครับปรากฏอยู่ในปัญญาจา ร, รวันทที่สิองขอขึ้นหน่อยได้ไหมครับพอดีสายตาก็ไม่ค่อยดีดูตรงนี้ดีกว่าพี่น้องครับโซลมอนเนี่ยเขียนพระกระเียดอยู่สามสี่เล่มนะครับ แน่นอนก็มีบทหลายอย่างนะฮะโซลมอนบทเพลงโซลมอนสุภาษิตปัญญาจารว่าไปนะครับในปัญญาจารเนี่ยถือว่าเป็นปราดของโซลมอนเลยนะโซลมอนเขียนในปัญญาจารย์12องข้อหนึ่งเขียนอย่างนี้ในปฐมวัยของเจ้าเจ้าจงรึกถึงพระผู้ในพิซซาของเจ้าก่อนที่ยามทุกร้อนจะมาถึงและปีเดือนใกล้เข้ามาเมื่อเจ้าจะกล่าวว่าข้าไม่มีความเพลิดเพลินในปีนั้นเลยผมอ่านพระบีกนี้ใครควรเสร็จนะผมตัดสินใจอย่างหนึ่ง เดี๋ยวขึ้นสวรรค์เมื่อไหร่จะนัดสซโลมอนดื่มกาแฟในโลกนี้มีสตาร์บัคผมว่าบนสวรรค์ต้องมีเฮเปินบัคผมจะขอเลี้ยงกาแฟท่านสซโลมอนสักสามสี่แก้วประทับใจท่านจริงๆนี่คือสุดยอดอะ่ะแต่แน่นอนสซโลมอนก็ชลาสู้พระเยซูไม่ได้หรอกแต่ถือว่าสุดยอดสซโลมอนพูดอย่างนี้ครับในปฐมวัยของเจ้า เวลาพี่น้องเจอประโยคนี้นะอย่าคิดว่าสุรบอนเขียนให้เด็กอ่านนะครับอย่าคิดอย่างนั้นอุย้ยนี่เป็นสมัยของเจ้าแล้วคนแก่แล้วไม่ต้องฟังให้เด็กๆไปรุ่นฟังแล้วกันไม่ใช่ความคิดของสุรมอนก็คือทุกคนที่อายุอ่อนกว่าท่านทุกคนเป็นเด็กบทตอนที่ท่านเขียนพระกบีปัญญาจารนะครับ mm. เขาบอกว่าประมาณร้อยร้อยอ่ะไม่ใช่200รอนะร้อยอายุมากละ สำหรับคนอาวุโสเนี่ยเวลามองคนอายุอ่อนกว่าเขาจะเห็นว่าเป็นอะไรครับเป็นเด็กปีนี้ผมห้าสิบหผมเทศนาอยู่คิดจากหนึ่งพอลงมาปั๊บมีอจเจกคนหนึ่งเจ็ดสิบกว่าแล้วเขาก็มาจับแขนผมแล้วบอกว่าอาจารย์ปีนี้เลืออายุเท่าไหร่แล้วผมบอกว่าห้าสิบหแกพูดสวนทันทีอ้อยังเด็กอยู่ ถ้าผมห้าสิยังเด็กเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่ใช่วุ่นเลยตัเล็กเนี่ยในความพิจารณาของคนสูงอายุเนี่ยคนที่อายุน้อยกว่าก็คืออะไรครับเด็กดังนั้นโซลามอนพูดตรงนี้ว่าในพระสังเวยของเจ้าก็คือคนเหล่านั้นที่อายุน้อยกว่าท่านทุกคนฟังดีๆหรือถ้าใจปุูุชึ้งขนาดที่ท่านยังไม่ตายอะ่ะยังมีชีวิตอยู่อะ่ะน้อยกว่าผมเนี่ยฟังต่อไปนี้ดีๆพี่น้องครับผมเชื่อนนนนนว่านั่งอยู่ที่ประชุมนี้ไม่มีใครยุมากกว่าโซลามอน ถ้ามีมากกว่าโซลมอนผมว่าตอนนี้น่าจะอยู่ไอซีแล้วนะครับโซลมอนก็เขียนให้กับคนที่อยุน้อยกว่าท่านและบอกคนที่อยุน้อยกว่าเราทุกหล่ะเ อ, อ๋ยฟังดีๆในขณะที่เจ้ายังมีชุดอยู่จงระลึกถึงพระผู้ดในฤๅษีสาวของเจ้าไอ้ตรงนี้แหละครับต้องเลี้ยงให้เป็นบัคต้องเลี้ยงโซลมอนเพราะว่าสมัยโซลมอนเนี่ยพระเจ้าเทพเจ้าเต็มไปหมดเต็มไปหมดแต่โซลมอนโฟกัสบอกว่า คิดถึงพระเจ้าองค์นี้นะที่เป็นครีเอชันครีเอเตอร์ผู้ทรงสร้างพระผู้ในริมิตสร้างสร้างจักไม่มีให้เป็นมีไม่ใช่พระเจ้าที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแต่เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างเลยครับสร้างมนุษย์สุดยอดซาโลมนอนบอกขนาดนี้ยังม่ชอยู่จงคิดถึงพระผู้ในนมิตสร้างพระเจ้าแท่งแทองค์นี้เพราะอะไรครับนักปัจฉิยาโลกพอเห็นประโยคนี้ของซาโลมอนนะ เขาเขียนประโยคออกมาสองประโยคเขียนเมื่อประมาณ20งยกว่าปีที่แล้วประโยคนี้ยังใช้ได้ถึงเดี๋ยวนี้เลยผมขอความกรุณาขอพี่น้องพูดตามผมสองประโยคนี้ได้ไหมครับเนาะรบกวนนะครับเพราะว่าผมอ่านมาจากภาษาจีนขอคุณพูดตามผมเป็นภาษาจีนก่อนเดี๋ยวผมจะแปลไทยให้เมื่อนักปัญญาโลกนะครับเขาอ่านพระกบีก้อนนี้ยทอนนี้ของโซโลมอนว่าเจ้าจะเลือถึงมรกนเรนเป็นสร้างของเจ้าเนี่ยเขาคิดถึงสองประโยคนี้อนะครับประโยคแรกนะครับ วันอู่อต้องพูดสิครับเราตกลงกันแล้วครับ ว, น ว, นวันอู่สุเวเหรนเจ้าเตอหรินเอาใหม่วันอู่สุเวเหรเจ้าเตอนอู่สุเวยสเจ้าเตอเอาละเดี๋ยวแปฟังขอบคุณครับสอประโยคนี้คืออะไรสรรพสิ่งทั้งปวงในธรรมชาตินั้นถูกสร้างขึ้น เพื่อเพื่อมนุษย์ทุกอย่างในโลกนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อมนุษย์แต่มนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพระเจ้าพี่น้องครับประโยคนี้จริงแท้แน่นอนสปปรรพสิ่งธรรมชาติในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุพืชสัตว์ถ้าไม่มีคนชื่นชมมันไม่มีคนดูแลมันไม่มีคนตีราคามันมันไร้ค่าการนำลุงหยงมันก็ไร้ค่าอย่างสิ้นเชิงการที่สิ่งต่างๆทองเพชรหินอะไรแล้วแต่ วิวต้นไม้สัตว์สวยๆมันมีค่าขึ้นมาเพราะว่ามีมนุษย์ทําไมครับตีคุณค่าของมันดังนั้นสรรพสิ่งทั้งปวงเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อมนุษย์เช่นฉันใดก็ฉั น, นั้นมนุษย์ก็เช่นเดียวกันมนุษย์ธรรมสิ่งถูกสร้างเพื่อมนุษย์แต่มนุษย์ถูกสร้างเพื่อเพื่อพระเจ้าผู้ทรสงสร้างดังนั้นถ้าชีวิตมนุษย์ปราศจากพระเจ้าการดํำรงอยู่ของเขาก็เป็นลิฟวิ่งติ่งไม่มีคุณค่าอะไรเลย นี่คือสิ่งที่ซุโลมอนกำลังบ่งที่คุณท่านเห็นพี่น้องครับมนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อพระเจ้าและถ้าผมจะพูดแบบให้มันลึกซึ้งแล้วมันชาวบ้านนิดนึ่งนะพูดง่ายมนุษย์เนี่ยถูกสร้างมาอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้ฟังดีๆนะครับมนุษย์ถูกสร้างมาอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้คุณถูกสร้างมาให้มีคุณของคุณคุณถูกสร้างให้มามีคุณของคุณตอนนี้ถามหน่อยคุณของคุณ คือใครแล้วถามอีกคุณของคุณคนสุดท้ายคือใครคุณอยู่ถูกสร้างมาอยู่คนเดียวไม่ได้คุณถูกสร้างมาเพื่อบางอย่างเพื่อคุณของคุณตอนนี้ถามว่าคุณของคุณคือใครถ้าท่านไม่มีพระเจ้าคุณของคุณคือใครผมยกแดงให้ฟังก็ได้คุณของภรรยาคือใครเอาตอบหน่อยครับคุณของภรรยาก็คือสามีคุณอยากรู้คุณของคุณคือใครง่ายมากสิ่งที่คุณมอง พยายามใกล้ชิดพยายามมีความสัมพันธ์ด้วยสิ่งนั้นแ่ะคือคุณของคุณเมื่อผู้หญิงแต่งงานก็เป็นภรรยาคุณของฉันก็คือสามีคุณของสามีก็คือฉันนะดังนั้นคุณของเมียก็คือผัวคุณของผัวก็คือเมียมองไปมองมามีความสุขมากต่อมาไม่นานอะไรเกิดขึ้นภรรยาเริ่มคลอดลูกพอภรรยาคลอดลูกออกมาคุณของภรรยาไม่ใช่สามีแล้วคุณของภรรยาคือใคร ลูกคุณของลูกคืออะไรแม่ลูกแม่ลูกแม่สามีตอนแรกมีคุณของฉันก็คือภรรยาตอนนี้ภรรยาคุณของของของภรรยาเป็นลูกแล้วฉันเลยไม่มีคุณของฉันฉันเลยไป ม, มองอะไรรถจักรยานรถเกง๋งลิสรถอะไรของแกไปอย่างนี้ต่อมาเนี่ยคุณของแม่ก็คือลูกคุณของลูกก็คือแม่มองไปมองมานะแม่ลูกลูกแม่แม่เงี้ย ้ใกล้ชิดกันเหลือเกินสักเดียวลูกเริ่มโตขึ้นลูกสาวเริ่มโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นคุณของลูกก็ไม่ใช่แม่แล่ะคุณของลูกก็คือเขาคุณของลูกก็คือเขาคุณของเขาก็คือลูกของเขาแม่ก็ไม่มีคุณของแม่นะก็เลยหันมาดูอะไรคุณของฉันในอดีตซึ่งตอนนี้เริ่มหัวล้านพุงพุยไม่หล่อเหมือนเดิมแล้ว สองตายายมองกันเป็หมาคุณของฉันก็คือเธอคุณของเธอก็คือฉันต่อมาคู่ชีวิตก็จากไปแล้วคุณของคุณคือใครคุณของคุณก็คือร่างกายมองร่างกายอยู่เพื่อร่างกายดูแลร่างกายไม่นานร่างกายก็ค่อยเสื่อมสลายเสื่อมสลายเมื่อร่างกายลงดินวิญญาณออกจากร่างคุณคนสุดท้ายของคุณคือใครสบรบันงบก คนที่คุณต้องอยู่กับพระองค์เป็นนิติลันคนที่คุณจะต้องสัมพันธ์กับองค์นิติลันคนที่คุณต้องรับผิดชอบรายงานตัวธรรมุนิติลันคือใครซาโลมอนกำลังบอกพี่น้องครับคุณของคุณคนสุดท้ายซาโลมอบอกว่าก็คือพระเจ้าผู้ทรงสร้างเพราะฉะนั้นขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จงคิดถึงพระองค์ผู้ทรงสร้างคิดดีๆเพราะว่าคนสุดท้ายของคุณคือพระเจ้าไม่ใช่สรรพสิ่งในโลกใบนี้ทุกอย่างในโลกใบนี้ ล้วนแต่เปลี่ยนแปลงจริงไมจง่จริงจริงไม่จริงจริงทุกอย่างในโลกนี้อันดิจังอันดิจังพี่น้องครับโซโมลมอนกำลังชี้เห็นอีกอย่างหนึ่งชี้เห็นอะไรครับท่านเอาชื่อของท่านพิสูจน์เลยบอกว่าคนที่อ่านพระคำของเราเอ๋ยคนที่อา่านถ้อยคําเราเอ๋ยฟังดีๆข้าพเจ้าโซโลมอนตอนที่เป็นหนุ่ ม, มข้าพเจ้าเคยตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าแล้วข้าพเจ้าเคยยกพระเจ้าว่าเป็นคุณของข้าพเจ้า ต่อมาข้าพเจ้าซารม์มอนหลงจนจากพระศาสนาไปผูกพันกับสิ่งอื่นข้าพเจ้าใช้หมดเวลาข้าพเจ้าไม่ลงทุนกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นสุดท้ายของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไปลงทุนอย่างอื่นโอ้โหนี่คือสุดยอดของซารม์มอนความหมายคืออะไรครับใครอ่านตรงนี้ก็ลองรู้ว่าซารม์มอนกระมังงชีว้ว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อถวายคนยิวบอกว่ามนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อถวายคนกรีก บอกว่ามนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อลงทุนอาจารย์เปาโลใช้คําว่าถวายกับคําว่าลงทุนมันก็คือคําเดียวกันแต่ของยิวใช้ถวายแต่ของกิกใช้คําว่าใช้คําว่าลงทุนคุณเจริญเ่าเปาโลก็บอกจงถวายตัวแด่พระเจ้าจงลงทุนกับพระเจ้าตายก็ได้ตายก็ได้ทา ไ, ไรพี่น้องครับมนุษย์ทุกคนถูกสร้างมาให้ลงทุนตอนนี้ถามว่าพี่น้องมีการลงทุนไหมมีนอกเสีย จ, จากพี่น้องไม่ใช่คน ถ้าพี่น้องเป็นคนต้องมีการอะไรครับลงทุนคุณจะลงทุนกับอะไรท่านจะลงทุนกับสิ่งที่ท่านคิดว่ามีค่าท่านเห็นสิ่งใดมีค่าท่านจะลงทุนกับสิ่งนั้นแล้วเวลาท่านจะลงทุนกับสิ่งที่ท่านคิดว่ามีค่าท่านจะเอาหอย่างเนี่ยไปลงทุนซึ่ง5อย่างเนี่ยคือองค์ประกอบของชีวิตหนึ่งท่านจะเวลาไปลงทุนเวลาที่ท่านมีไปลงทุนกับมัน2ท่านจะเอาพลังกำลังท่านไปลงทุนกับมันส ท่านจะเอาสติปัญญาของท่านไปลงทุนกับมันสิท่านจะเอาเงินในกระป๋บบองท่านไปลงทุนกับมันห้าท่านจะเอาอะไรครับความสามารถไปลงทุนกับมันซึ่งเป็นองค์ประกอบของชีวิตท่านกุเห็นไหมเวลานี้เด็กไม่รู้หลายคนนะเขาคิดว่าฟลายมีค่าใช้เวลาลงทุนกับลายเอาเล่นไปเลยเดี๋ยวมันก็พังโทรศัพท์อีน้อง ทุกอย่างที่มนุษย์ลงทุนนะยกเว้นพระเจ้านะไม่มีสักอิ่างเดียวสิ่งมั่นคงถาวรเลยโซโลมอนบอกเลยตอนนี่ข้าพเจ้าหลงเจนดจะพระศาสนาข้าพเจ้าลงทุนกับสิ่งที่ไร้สาระซึ่งไม่ใช่พระเจ้าผู้เที่ยงแท้ทําให้ข้าพเจ้าสารวจนอยู่กับการกินดื่มเที่ยวเซ็กโซโลมอนบอกเลยหูข้าพเจ้าไม่เคยปิดเพลงที่ต้องการฟังอยากได้ฟังอะไรต้องได้ฟังการกินอยากกินอะไรต้องได้กินอยากมีเซ็กต้องมีเซ็ก โซโลมอนมีเมียน้อยกี่คนหนึ่งพันคนผมถามพี่น้องสุภาพบุรุษที่ดีใครมีเมียน้อยมากเท่ากับอาบรรมบ้างเอ้ยเท่ากับโซโลมอนบ้างท่านมีเมียน้อยกี่คนเท่ากับโซโลมอนไหมบางคนบอกไม่เท่าไม่เท่าอันี้ไม่เท่านี้ก็น่ากลัวแล้วนะ <laughs> พี่น้องโซโลมอนเต็มที่ใช้เวลาใช้ทุกอย่างลงทุนทต็มที่สุดท้ายเมื่อโซโลมอนแก่ตัวปับ๊บโซโลมอนก็รู้ว่าสิ่งที่ลงทุนไปนั้นมัน มันอธิจรมันเป็นแค่ความฝันพี่น้องเคยฝันไหมครับพี่น้องเคยฝันไหมครับเคยถ้าพี่น้องนะนอนไม่หลับกลางคืนนะพี่น้องจะรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปดีผ่านไปนู่นมากแล้วพี่น้องก็จะทำบางอย่างซึ่งมันคิดมันอันแต่ถ้าพี่น้องนอนหลับนะจะฝันขนาดที่ฝันนะพี่น้องในฝันท่านจะทําได้หลายอย่างเลยแต่พอตื่นจากฝันเสร็จท่านเอาอะไรออกจากความฝันไม่ได้เลย สรุร awan กำลังพูดจุดนี้เมื่อทําไมครับมนุษย์ไม่ตั้งพระเจ้าเป็นคนสุดท้ายในถึงเขาเขาจะสาวนกับสิ่งอธิจังในโลกใบนี้สรุร awan บอกเลยครับเฮ้ยเฮตอนนี้ท่านยังไม่ชุดอยู่นะคนอายุน้อยเอ่ยรีบคิดถึงพระเจ้านะเพราะทําไมถ้าท่านเอาชีวิตของท่านไปลงทุนกับสิง่งใดๆค่ะคุณจะไม่ได้อะไรกับสิ่งนั้นเลยข้าพระเจ้าไม่มีความเพ้อเพลในปีเดือนนั้นเลยก็คือไม่สามารถจับเป็นชิพย์นานได้เลย โซมันก็พูดจุดนี้ขอพี่น้องขอพระปีต่อมาครับแล้วโซมันก็พูดในข้อที่สองว่าอะไรก่อนที่ดวงอาทิตย์แสงสว่างดวงจันทร์และดวงดาวทั้งหลายอับแสงและก่อนที่เมฆกลับมาเมื่อหมดฝนแล้วความหมายคืออะไรโซมันบอกว่ารีบกลับมาอันนี้คล้ายๆสโลแกนเตือนก่อนตัดก่อนตายเตือนก่อ น, อนวายวอดเวลาท่านเหลือสั้นลงแล้วนะสั้นลงแล้วนะ ท่านจะลงทุนกับอะไรคนสุดท้ายท่านคือใครคือใครใครคือคนที่ท่านควรจะเอาพระองค์ท่านตั้งไว้หน้าสุดแล้วใช้ชีวิตตามพระประสงค์ขององค์ถ้าท่านไม่สนใจพระเจ้าท่านลงทุนกับอะไรท่านจะเปนชีวิตยังไงสารวัตกันบอกเวลาท่านเหลือน้อยเต็มทีแล้วผมกล้าบอกท่านปีนี้ผมห้าบตอนเป็นเด็กรู้สึกว่าเวลาก็ใบช้านะตั้งแต่สี่สิบห้าอับผัวทาไมเร็วจังวะ อะไรคริสมาสก็เหรอคริสมาสก็เหรอผมยังจําได้อยู่เลยอ่ะผมแอบดูผู้หญิงไม่ใช่แอบดูนะครับผมมองดูเด็กผู้หญิงเล่นกระเตะเล่นไอกระโดดขอโทษนะครับเล่นกระโดดอยดังเนี้ยกิงกล่องแก้วอ่ะมันยังอยู่ในภาพผมอยู่เลยอ่ะตอนอยู่เรียนอะไรเดี๋ยวนี้มีลูกก็เออเพื่อนสมัยประถมมัธยม เชิญผมบอกว่าหาผมแทบตายพาเข้ากลุ่มไลผมลืมชื่อไปหมดแล้วเพื่อนกลุ่มนี้ยแต่เขาก็เชิญผมเข้าไปเขาจาชื่อผมได้แล้วก็ส่งรูปมาให้ผมรูปสมัยปฐมเอาให้ผมขอโทษนะพี่น้องพอผมดูเสร็จผมยังไม่รู้เลยผมอยู่ตรงไหนอะแต่จําได้มันเร็วมากมันเร็วมากจากําได้เคยอยู่เนนี้พี่น้องครับชีวิตมันเร็วจริงๆโุลมันว่างไงมนุษย์เอ้ยคนสุดท้ายของบุญคือพระเจ้า จงตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าแล้วนมัสการพระองค์ย้ำเกณฑพระองค์แล้วใช้ชีวิตในโลกนี้ตามกฎเกณฑ์บงชีวิตคุณถึงจะไม่สูญเปล่าอย่าเป็นเหมือนกับพระเจ้าเวลาคุณน้อยลงแล้วคุณจะลงทุนกับอะไรลงทุนกับร่างกายคุณเหรอร่างกายคุณก็อนิจจังขอภาพเลยครับสารวัลบอกเลยไม่นานร่างกายของคุณคนยามเฝ้าเรือนจะตัวสัน่นคนยามคืออะไรเนี่ยคนยามแขนสองข้างขาสองข้างที่เคยป้องกันคุณ มีคนตีคุดกั้นมีคนเตะคุณยกขาปิดไอ้คนยามเนี่ยไม่นานจะเริ่มนะไหมครับสัน่นก่อนเทศนาเนี่ยผมทดลองดูว่าสั่นไม่สัน่นสั่นจริงๆเมื่อกี้ผมนั่งที่นี่ผมลองยกมือขึ้นอย่างนี้เฮ้ยมันสั่นเว้ยผมเริ่มอาการสั่นมาตั้งแต่ตอนอายุห้าแล้วครับผมเป็นคนตื่นเช้าชงกาแฟนะประมาณตีสามกว่าผมก็ชงกาแฟ มีครั้งหนึ่งประมาณห้าสองผมเทอาแฟเสร็จพอยกมาจะมานั่งอ่านพระพีมือสันอ่งนงี้เฮ้ยเป็นไรวะพอสั่นผมก็เริ่มรู้ล้ะใกล้แล้ลแลวคนแข็งแรงจะคุดคูไปหลังที่เคยตรงจะเริ่มกดผมเพิ่งไปตรวจความสูงมาตอนผมเป็นหนุ่มเนี่ยร7 8เจบเซนขึ้นเพิ่งไปตรวจมา เหลือ175ครึ่งมันหายไปไหนมันหายไปไหนอหมอเลยบอกสงสัยอาจารย์เนี่ยประเกลนหนากระดูกอะตอนนี้ปากเกลนมันเสื่อมหมดแล้วผัว ah! แต่ตอนนี้เดินนกออดแอดไหมโอ้โหหมอยังก็ตาเห็นเลยอะออดแอดออดแอดกระดูกกับกระดูกเจอกันอยู่ดังเดียวก็เดิมคุดคูอะและหญิงโม่จะเลิกโม่เพราะจํานวนทําไมครับลดน้อยลง หิงโม่จะเลิกโม่เพราะจำนวนลดน้อยลงอะไรครับฟันเริ่มหลุดทิลลซี่ทิลลซี่ทิลลสซี่สุดท้ายปากทั้งอันเหลือลิ้นอันเดียวอันนี้ก็เป็นบทเรียนเหมือนกันนะคนที่เป็นภรรยานะครับเรื่องนี้น่าจะได้ข้อคิดเวลาพระเจ้าผูกพันสามีภรรยาอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณอย่าไปทะเลาะกับสามีมากเพราะว่าแน่นอนครอบครัวเนี่ยลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันต้องทำไมกัน กระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องธรรมดาผมก็เลยถามพี่น้องสามีภรรยาว่าลิ้นกับฟันกระทบกันเหมือนสามีภรรยาต้องกระทบกันเหมือนลิ้นกับฟันและคุณว่าผู้ชายเป็นฟันหรือเป็นลิ้นฮะผู้ชายเป็นฟันหรือเป็นลิ้นผู้ชายแข็งแรงกว่าเป็นฟัน mm. ดังนั้นผู้หญิงล่ะลิ้นผมก็เลยหลุนใจสึกภาพสตรีว่าใหญ่ประกระทบปุหลุดมากเพราะว่าคุณประทบมันอย่มันกัดลิ้นแล้วเป็นแผลอย่าไปสู้มันปล่อยมันชนะไป เชื่อผมเหอะไม่นานไม่นานฟันจะเริ่มหลุดทิละซี่ทิละซี่ทิละสซี่สุดท้ายปากทั้งอันเหลือลิ้นอันเดียวภรรยาของโลกเอเมนพี่น้องครับไม่นานเนี่ยฟันจะหลุดจากอะไรจากปากทิละซี่เพราะจานวนลดน้อยลงและบรรดาผู้เยี่ยมหน้าต่างจะมืดมัวอะไรครับขอโทษนะครับมองไม่เห็นเลยครับเนี่ยอะไรเพราะใส่ โอ้แจ่งตาเริ่มทําไมละมืดมัวแล้วครับฝ้ามัวแล้วมองไม่เห็นใกล้ๆแล้วมองเห็นไกลๆแล้วดังนั้นคุณเห็นไหมเวลาคนแก่กับคนวัยรุ่นพูดกันน่ยคนละเรื่องไอ้พวกวัยรุ่นเนี่ยสายตาสัน้นวัยรุ่นน่ยสายตาสัน้นเวลามันคุยกันพูดเรื่องอะไรให้ไปดูหนังเรื่องอะไรวะทำอะไรดีวะทําอะไรดีวะอะมันคุยเรื่องนี้เห็นไหมมันพูดสันส้นของมันแต่คนแก่พูดเรื่องอะไรแต่ก่อน สายตายาวต่อไปเตรียมซื้อที่ดินฝังมองยาวไห ม, มองยาวไหมอ่าคู่ยิย้มหน้าตากําลังมืดหมวัวแล้วตาเริ่มฟ้าดำฟังประตูคู่ที่เปิดออกเท่จะปิดเสียเมื่อเสียงโง่อยลงประตูคู่คืออะไรมีน้องเนี่ยประตูบานวนนี่ประตูบานล่างพอเสียงโง่อยลงคือฝันหลุดปุ๊บประตูก็ปิด คุณแม่คุณพ่อทั้งหลายที่ตอนนี้ยิ้มแล้วฟันสวยคุณเชื่อเถอะของปลอ ม, มประตูคู่ปิดมีเสียงนกเสียงกาเขาจะลุกขึ้นนี่ฟันทงเลยครับตอนผมเป็นวัยรุ่นอย่างน้อยนอนแ9ดก้าวช้วงนสิบชั่วโมงเต็มที่เลยพออายุเล่นขึ้นเลยข้าสิบนอนละสาสี่ชั่วโมงผมนอนละสามสี่ชั่วโมงตื่นตีสามตีสี่เกือบสี่ห้าปีแล้วนะครับจนลูกสาวผมเนี่ยเป็นห่วงถามผมอย่างนี้ ป้ป้าทำไมป้าป้านอนน้อยจังเลยผมเลยบอกลูกสาวว่าลูกเ อ, อ้ยที่ป้าป้านอนน้อยเพราะป้าปารู้สึกว่าใกล้จะนอนยาวแล้วคือ <c oughs> เริ่มนอนน้อยคุณดูคนสูงโอายุดิครับนอนมากที่ไหนเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ตื่นจริงไม่จริงแล้วบอกแล้วตื่นแล้วเข้าห้องน้ําบ่อยด้วยนีและเสียงเพลงก็ทําไมก็เพาลงอะไรครับหู คนแกอะไรอะไรก็ยานหมดมีอย่างเดียวที่อะไรตึงคืออะไรคนแกอะไรอะไรก็เหลือน้อยมีอย่างเดียวก็คืออายุมากขึ้นเห็นมพี่น้องก็หูเริ่มไม่ได้ยินแล้วจริงๆขอภาพเลยครับเนีเออเขอาทั้งหลายโกดี่สูงเห็นไหมเนี่ยผมไม่อยากจะบอกอาจารย์เมื่อวานเมื่อกี้ผมบอกอาจารย์ก็ค่อยเดินนะเมื่อเช้าอะ อาจารย์บอกเดินร้อยเมตรได้วิ่งร้อยเมตรไม่ได้คุณเชื่อเถอครับคนสูงอายุไม่กลัวการเดินเดินได้ก็ค่อยเดินเดินได้คุณเราคนสูงอายุขึ้นบันไดดิกลัวไม่กลัวครับคนสูงอายุไม่กลัวการเดินเลือเรีย บ, ยบแต่ถ้าสูงเ่าไหร่ทำไมถ้าใครไม่เชื่อถ้าคุณเจ็ดสิบอัพคุณเราไปขึ้นตึกข้างหลังหน่อยเจ็ชั้นไม่ต้องห้ามใช้ลิฟนะ คุณก็รู้ว่าทําไมเขาทั้งหลายกลัวที่สูงมีครอบครัวหนึ่งมีบ้านห้าชั้นคุณพ่อคุณแม่อยู่ชั้นสองไอล้ลูกๆอยู่ชั้นสามสี่ห้าชั้นสองผมก็ถามว่าทำไมอยู่ชั้นสองขึ้นไม่ไหวแต่ปีหน้าไม่แน่อยู่ชั้นหนึ่งและไม่นานคงจะอยู่ห้องใตดินทํไนาไรกลัวที่สูงครับสิ่งหน้าสดยองก็อยู่ในอะไรครับ ขนทางวัตถุไม้คืออะไรนี่ต้องเกิดนี่คือความจริงของชีวิตสิ่งน่าสยองหนทางคืออะไรเริ่มคิดมากคนแก่คิดมากคนไหนเริ่มคิดมากอาการแก่เริ่มสิงพี่น้องครับนี่เรื่องจริงแล้วคนแก่เวลาคิดมากนะคิดแต่แง่ลบหมดผมยกตัวอย่างให้ฟังก็ได้ถ้าพี่น้องจะพาหลานไปเยี่ยมคุณตาคุณยายอากงอา마คุณอย่าบอกว่าไปกี่โมงนะครับ สมมติว่าคุณอยู่ที่ต่าง อ, อยู่กรุงเทพจะพาหลานไปเยี่ย ม, มา อ, อากงมาที่ต่างจังหวัดแล้วคุณบอก อ, อากงมางี้อามา่าเดี๋ยวตอนเที่ยงตรงจะพาหลานไปเยี่ยมคุณพูดอย่างนี้คุณทำลายท่านเลยนะครับเพราะว่าคุณบอกว่าพรุ่งนี้ตอนเที่ยงจะพาหลานไปเยี่ยมคุณรู้ไปมอะไรเกิดขึ้นกับอาม่ากองอามา่าตีสามตื่นมาายตลาดเก้าโมงเช้ายืนอยู่หน้าประตูรอหลานมา มาเดี๋ยวหลานมาเดี๋ยวหลานมา10บโมงสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงครึงสบเอ็ดโมงหสิบะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวมาเดี๋ยวหลานต้องมาเที่ยงมันต้องมาแล้วถ้าเที่ยงตรงคุณยังไม่ส่งหลานอยู่ต่อหน้าบ้านแกอะไรเกิดขึ้นสี่เรียวเที่ยงเงือเที่ยงสองนาทีแล้วอีกทำไมยังไม่มาอติเรือกไปดูโรงพักนี่รถชนตายยังวาคิดแต่เรื่องลายลคิดแต่เรื่องหน้าส้สยอง คนแก่คิดมากผมบอกคนแก่คิดมากอย่างนี้นะที่คิ ด, ดจะจะหนึ่งพอเทศนาลงมาเสร็จมีอา่าคนหนึ่งเจ็สกว่าดึงแขนผมอางนี้ดึงมาแล้วอามา ก, ก็ตีผมงนี้อามว่าตีผมทำไมเลือดวันนี้เลือเท็จอะไรอะวัรับได้หมดอ่ะแต่เลือดบอกคนแก่คิดมากว่ไม่เห็นด้วยตีคนแก่ไม่คิดมากผมว่าคิดในใจถ้าคนแก่ไม่คิดมากตีว่าทาไมสองครั้งวะ คิดมากต้นอัลลมันมีดอกมีน้องก็อัลลมันเนี่ยกิ่งดําแต่ดอกสีขาวไข่ขาวเนี่ยใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วนะครับนอกจากนั้นอัลลมันเวลามันแก่นะมันจะมีจุดๆเริ่มมีกระแล้วถ้าคุณมีอย่างเงี้ยไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยใกล้แล้วนะครับอันนี้จังใกล้ลงดินแล้วครับ บางคนว่าไงอฮยมีกะไม่ยากหรอกมีวิธีแก้แก้งไงกินโคราสิเอาทำไมกินโค้กโคลกแก้กะหายตักกะแตนโมเป็นพาระเนตักกะแตนโมเป็นอะไรครับเป็นพาระตักกะแตนโมเป็นพาระหมายถึงอะไรพี่น้องครับในพระคัมภีร์เนี่ยมีตักกะแตนวัยหนุ่มวัยกระโดดแล้วตะกกะแตนโม ตักะแตนโมเป็นตักะแตนที่แก่ตักกะแตนโมเป็นพระละหมายถึงอะไรตักกะแตนเนี่ยเวาลาไปไหนนะมันจะทำไมครับใช้ขากระโดดใช้ขากระโดดขาที่เคยพามันไปที่ต่างๆตอนเป็นหนุม่มเป็นสาวพอตอนที่มันแก่ขากับกายเป็นไรอุปสรรคในการไปที่ต่างๆคุณลองชวนอาม่ากกงคุณตาคุณยายไปขึ้นภูกระดึงกันกระชี้ไปที่ไหน ไอ้นี่เคยพาไปที่ต่างเดี๋ยวนี้ทําไมครับไม่มีแล้วกลายเป็นภาละแล่ะความปรารถนาก็ประลาดไปเสียหมดความต้องการแล้วคุณซื้อไก่ย่างห้าดาวมาตัวหนึ่งแล้วก็เอามาให้พวกเด็กวัยรุ่นนี้นี่เด็กวัยรุ่นเนี่ยเอาสองตัวก็ได้นี่แล้ววางไว้หน้าเด็กวัยรุ่นแล้วบอกพวกนี้ลุยอะไรเกิดขึ้น มือจ้างหาไปแล้วคอไก่อยู่อันเดียวเชื่อผมคุณลองเอาไก่ย่างห้าดาวตัวหนึ่งให้คุณตาคุณยายนั่งจ้องดูสิยังไม่ทันกินเลยแค่มองแกก็หอบแล้วคุณเชื่อผมหมดความต้องการละปรากฏนี้กฎการที่แสดว่าเขากําลังกลับบ้านเก่าแล้วกรับบ้านถาวนคุณมาจากไหนคุณต้องกลับที่น้านสรวันบอกคุณมาจากไหนคุณกลับที่น้านแล้วคุณมาจากไหนอ่ะมาจากริงเลยครับไม่ใช่ คุณมาจากพระเจ้าวิญญาณของคุณมาจากดินมันจะกลับดินไอ้อไม่ร่างกายของคุณมาจากดินมันจะกลับสู่ดินแต่วิญญาณของคุณมาจากพระเจ้ามันจะกลับไปสู่พระเจ้าคุณก็รู้ว่าร่างกายของท่านมาจากดินผมเคยเทศนาไปแล้วร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของดินดังนั้นร่างกายเราเนี่ยมันมาจากหาธาตุคือขี้ดินน้าลมไฟแล้วก็ไม้ดิน ก็คือเนื้อหนังที่คุณเห็นอยู่เนี่ยตอนคุณคลอดจากท้องแม่ตัวคุณยาวขนาดนี้เดี๋ยวนี้คุณตัวขนาดนี้เพราะว่าคุณกินดินทุกวันทุนทานข้าวข้าวมาจากดินคุณทานผักผักมาจากดินคุณกินหมูหมูกินลำลำกินข้าวข้าวมาจากดินวันหนึ่งดินกับสู่ดินคุณจับตรงนี้ดูคุณก็รู้ว่าร่างกายคุณชุ่มชื้นมีน้ําผสมน้ําวันนึงก็กลับสู่น้ําในตัวคุณมีล้มด้วยอย่าไปเป่าใส่คนอื่น วันหนึ่งลมก็กลับไปสู่ลมไหนตัวคุณมีไฟด้วยคุณเอามือขวาใส่ใต้ลักแร้คุณเห็นว่าในตัวคุณมันอุ่นเพราะตัวคุณมีไฟมีการเผาผาลาญดังนั้นคุณต้องสูดออกซิเจนเข้าไปออกซิเจนช่วยในการเผาผลาญเมื่อเผาเสร็จมันคายอะไรออกมาคาวเมื่อใออกใส่ออกมาถ้าคายออกมาทางจมูกก็ไม่เท่าไหร่คายออกจากื่นเหม็นพี่น้องก็บธาตุต่อมาคือธาตุม้ไม้ตรงไหนอ่ะตัดแล้วงอกได้เล็บ ดังนั้นปัจฉิยว่างไงอะไรที่ตัดแล้วงอกได้ตัดมันซะคือผมกับเล็บอะไรที่ตัดแล้วงอกไม่ได้อย่าไปตัดมันแขนนี่อย่าไปตัดนะครับงอกไม่ได้ผมบอกให้ลูกนี่น้องครับมนุษย์กําลังกับบ้านเก่ากันอย่างนี้สรุรบัณบอกส่วนผู้ไว้ทุกข์ก็วียนไปมาตามถนนขอโทษครับผมต้องขอโทษท่านสูงอายุ ท, ทุกท่านครับนี่ต้องพูดเรื่องจริงมาพูดครับเวลาลูกหลานพูดถึงท่านนะเขาไม่ได้พูดถึงบอกว่าเฮ้ คุณตายก็ย้าไปเชี่ยวไหนดีเอาคุณตายก็ย้าไปเชียวไหนดีไม่ได้พูดเรื่องนั้นแล้วครับคุณู้ไหพูดเรื่องอะไรฝังที่ไหนดีมรดกแบ่งกันยังไงวะเฮ้ยรีบรีสร้างมรดกสไรไอนี้จังก่อนที่สายเงินจะขาดคุณรู้มสายเงินคืออะไรสร้อยเงินที่คุณใส่คอคุณตายไปแล้วนะมันทำไมครับ อา๋าฟังไม่เข้าใจสร้อยเงินที่คุณใส่อยู่อ่ะพอคุณตายไปแล้วเนี่ยมันทำไมมันยังอยู่เลยสายเงินในความคิดของโซโลมอนก็คือเวลายังอยู่แต่คุณหายไปจากเวลาแล้วเวลายังเดินอยู่เรื่อยแต่ชีวิตคุณหายไปจากอะไรครับเวลาแหละชามทองคำจบะบป็นไรมันหมายถึงอะไรครับก่อนชามทองคำจะบป็อะไรหมายถึงอะไรทรัพสมบัติมากมายในโลกนี้มีอีกมากมายที่คุณยังไม่กอบโกย ยังไม่ได้เอามาเอามาเอามาคุณหมดชีวิตที่จะกอบโขยมันแล้วเอาไม่ได้แล้วนักปชัชญาจีนบอกว่าเวลาเด็กคลอดจากท้องแม่มันจะร้องเงี้ยแต่มือมันจะกำ ร, ร, รับรับแต่ผมบอกว่านักปชัชญาจีนสู้นักปชัชญาไทยไม่ได้เพราะนักปชัชญาจีนฟังเป็นแล้วมือกำแต่นักปัญญาไทยบอกว่าเด็กไม่ได้ร้องอุแอะอุแะ ไม่ร้องโวเยเยไม่ใช่คุณรู้ไหมเด็กร้องว่าอะไรนวยาไทยพื่นงี้เวลามันคลอดจากท้องแม่มันมันร้องงี้ครับขังก้คขังก้คขัง ก, ง ก, ง ก, งก้มันกําแน่นเลยไม่มีทารกคนไหนแมแน้ำมือแบมันกําแต่เวลาตายศพไหนมือแบมือกาบ้างมีศพไหนไม่กลับตายงี้ ท่านเอาอะไรเข้ามาในโลกนี้ไม่ได้ฉันใดท่านก็อะไรจากโลกนี้ไม่ได้ฉะ น, นั้นชามของเขาจะเป็นอะไรเหมือนว่า ส, สมบัติยังอยู่แต่ท่านไม่มีสิทธิ์ในการสวยสุกับมันแล้วหรือเหยือกน้ําจะแตกเสียที่อะไรครับน้ําผุเหยือกน้ําแตกซสีบุ๊กหมายถึงอะไรความสนุกสนานความสดชื่นในโลกใบ น, นี้ที่ท่านเคยสนุกกับมันว่าจะเป็น Facebook เป็นไลน์ทันฟอร์มเมอร์ไอรอนแ a น m a ทแมผสมซุปเปอร์มนอะไรมันอะ ความสนุกสนานทั้งหมดของท่านยังมีอยู่เรื่อยตอนนี้มีซูเปอร์แมนปะท่าแบ็คแบนภาคหนึ่งเดีย๋ยวเขาบอกว่าจะสร้างภาคสองเดลีทอะไรของมันน่ยบางทีท่านอาจจะไม่คิดจะดูแล้วหมดแล้วหรือล้อจะหักเสียนาที่ขังน้ำหมายถึงอะไรครับสละวันบอกเส้นทางในโลกนี้ยังมีอีกได้ต้งเยอะในการที่จะต้องเดินทางท่านเดินทางหมดยังผมถามพี่น้องก็ได้ บางท่านอยู่ที่นี่เป็นคนกรุงเทพถนนทุกเส้นในกรุงเทพท่านเดินครบหรือยังขนาดกรุงเทพยังไม่ครบเลยชีวิตท่านจบแล้วขอภาพครับซุลลมอนบอกคุณจะลงทุนกับอะไรร่างกายคุณเหรอร่างกายของคุณก็ไม่ใช่สุดท้ายของคุณเพราะร่างกายของคุณก็ต้องกลับไปสู่ผงกีดินคนสุดท้ายของคุณไม่ใช่ร่างกายคนสุดท้ายของคุณคือใครพระเจ้า ผงขี้จะกลับเปดีอย่างเดิมและวิญญาณกลับไปสู่พระเจ้าผู้ประทานให้มา น, นั้นปัญญาจารย์ว่าอนิจจังอนิจจังสารพัดก็ดิจจังพี่น้องครับโซโลมอนบอกเลยมนุษย์เอ่ยคนที่ยังมีชีวิตโดอายุน้อยกอว่าเราเอยฟังดีๆคุณถูกสร้างให้มีคุณของคุณและคุณของคุณคือพระผู้สร้างจงคิดถึงพระผู้สร้างเพราะว่าพระองค์คือคนสุดท้ายของคุณคุณจะต้องอยู่กระองรงเป็นนิต คุณต้องอยู่ต่อพระองค์สัมพันธ์กับองค์เป็นนิจนาลบนแผ่นดินสวรรค์หรือว่าคุณต้องถูกตัดขาดจากองค์เป็นนิดในแผ่นดินนรกคุณต้องคิดถึงพระผู้สร้างของคุณซะคิดถึงซะคิดถึงเวลาคุณเหลือน้อยแล้วเวลาคุณเหลือน้อยแล้วขอภาพครับแล้วโซลมอนก็พูดปิดท้ายพระอาจารย์ว่าอะไรจบเรื่องแล้วได้ฟังกันทั้งสิ้นแล้วจงยำเกรงพระเจ้าความหมายคืออะไรครับโซบันลูกคนี้ถ้าคุณระ ล, ลึกถึงพระผู้สร้างจริง จงตั้งพระเจ้าไว้ตรงหน้าตั้งพระเจ้าตรงหน้าและใช้ชีวิตต่อไปนี้ตามกฎเกณฑ์ขององค์เพราะว่าทุกอย่างที่คุณทำในโลกโชคราวนี้วันหนึ่งต้องรายงานตัวต่อต่อคนสุดท้ายของคุณคือพระเจ้าพี่น้องครับโซโลมอนบอกเลยจบเรื่องแล้วได้ฟังกันทั้สิ้แล้วจงจำเกณฑพระเจ้าและรักษาพระติขระวงเพราะนี่แหละเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทั้วง ถ้าพี่น้องย้อนไปดูปัญญาจารย์บทที่12สองข้อ2ที่ผมพูดมาเมื่อกี้เวลาเหลือน้อยแล้วผมถามพี่น้องหน่อย what is time เวลาคืออะไรเวลาคืออะไรนักปัชชัาคริสเตียนท่านหนึ่งเมื่อท่านอ่านพระบีตรงนี้นะท่านได้เขียนบทความเกี่ยวข้อของกับว่าเวลาคืออะไรท่านพูดว่าไงครับเมื่อท่านอ่านปัญญาจารย์บทที่ 12, 1ส ท่านได้ข้อคิดจากบทความขอุสลุลามอนว่าเวลาคืออะไรท่านมาได้ข้อคิดเพราะว่าอะไรครับลูกศิษย์ท่านถามท่านอย่างนี้อาจารย์ผมเอ่ยชื่อท่านก็ได้ท่านมีชื่อว่าอาจารย์ออกัสตินผู้รับใช้พระเจ้าไม่ใช่คอนสแตนตินมือพิฆาตผีนะครับออกัสตินลูกศิษย์ออกัสติ น, ออตนถามออกัสตินอย่างนี้อาจารย์ออกัสตินครับเวลาคืออะไร what is time ออกสซินตบบาลุกศิทธ์แล้วพูดอย่างนี้ให้ยูตอนที่ยูยังไม่ถามไอว่าเวลาคืออะไรไอคิดว่าไอรู้ว่าเวลาคืออะไรพอยูถามไอว่าเวลาคืออะไรไอเพิ่งสํานึกเดี๋ยวเนี้ว่าไอไม่รู้ว่าเวลาคืออะไรกูรู้ไหมเวลาคืออะไรท่านไม่เคยถามท่านต้องคิดวันนี้ออกัสซินท้าชวนให้ท่านคิดออกัสซินเขียนหนังสือเล่มนึงบอกเลยมนุษย์มีปัญหาเรื่องเวลาจริงๆไม่มีอยู่ในสัตว์ในฉ า, านมีอยู่ในมนุษย์ คุณเห็นไหมคนฝรั่งเวลาพูดถึงอดีตเขาใช้คำว่าอะไรครับ before before I was young และต่อไปล่ะ after เห็นไหม before after after ก็คือต่อไปข้างหน้าใช่ไหมครับใช่ไหมใช่๋อสินบอกเลยตลก before, ไหม before แปลว่าก่อนดันอยู่หลัง after แปลว่าหลังดันอยู่ก่อนงงไหมครับมันอยู่ข้างหน้ามนุษย์มีปัญหาเรื่องเวลา คุณต้องวิเคราะห์ว่าเวลาคืออะไรหนังสือ อ, อักสินท่านได้บันทึกบอกว่าเวลาคือสีอย่างนี้คนมีสติปัญญาเท่านั้นเนี่ยของพระเจ้านั้นที่จะรู้จักดับปันเวลาเพราะเวลาคือสีอย่างนี้หนึ่งเวลาคือชีวิต อ, อักสินบอกว่าคนที่เป็นคนที่ยำเกรงพระเจ้าตออเวลา24ชั่วโมงในแต่ละวันเขาจะใช้ความจริงใช้ความบริสุทธิ์ใช้พระคใช้ขีดความสามารถที่พระเจ้าให้ เอามาสร้างชุดเขาเตรียมพร้อมจะเข้าสู่สวรรค์แต่คนโง่เขาไม่ใช่เขาใช้ความชั่วความเร็วซามความโสโคกลามกสร้างชุดเขาแต่คนของพระเจ้าเ้ารู้ว่าเวลาคือชีวิตเขาจะใช้ความยิ่งพระเจ้าในการสร้างชุดเขาเวลาคืออะไรทีทีสองเวลาคือโอกาสโอกาสที่ทำไมครับโอกาสที่จะแก้ไขบางอย่างที่ผิดพลาดขณะที่คุณยังมีเวลาคุณแก้ไขได้หมดเวลาเมื่อไหร่หมดโอกาสเมื่อนั้น เวลาคืออะไรเป็นเวลาที่คุณจะทำในสิ่งที่คุณอยากทำรีบทําซะวันแม่มาถึงแล้วนะถ้ายังไม่เคยกอดแม่รีบกอดซะจริงๆเดี๋ยวเวลาหมดแล้วนะเวลาแม่หมดไม่ใช่เวลาคุณหมดไม่แน่อาจจะเวลาคุณหมดก็ได้เวลาแม่หมดเดี๋ยวจะหมดโอกาสกอดแลละนั้นเวลาคืออะไรครับโอกาสต่อมาเวลาคืออะไรออกัสินบอกเวลาคือการพิสูจน์พิสูจน์30ปีมานี้ที่ผมรับใช้พระเจ้า ผมกล้าฟันธงเลยว่าเวลาคือการพิสูจน์ยี่สิบกว่าปีทแล้วเจอเด็กบางคนเด็กวัยรุ่นโอ้ยร้องเพลงสุดยอดอะไรไม่ว่าเป็นเช่นไรข้าจะนำมัสการโอ้ยยี่สิบเป็นลงุงบางคนร้องซึ้งด้วยนะหมดทั้งชีวิตหมดที่ข้ามีข้าขอวางลงจังพ่อพักของพ่อ 2ี่ปีแล้วลองเพลงนี้หลังจากจบการศึกษาปุไม่รับใช้เลยไม่มาโบทด้วยบอกว่าไม่มาโบทก็ไม่ได้มาโบทถอยู่เหมือนกันมาแค่สองวันปีหนึ่งอีสเตอร์คริสต์มาสคริสเซียนอ c ีพี่น้องบางคนนะบอกว่ารับใช้พระเจ้าเวลาพื่นไปสุดว่าจริงไม่จริงพอถึงอ า, ายุประมาณห้าสปีค่อยมารับใช้พระองค์ตอนอายุ20บหมดทั้งชีวิตหมดที่ข้ามี หลังจากนั้นก็หายแซ่บหายสวยหายจากวงการรับใช้เลยถามว่าไปไหนลองเวคชั่นวันหยุดยาวมาโพย่ทีตอนอายุห0สิบเจดสิบหมดทางชีวิตหมดที่ทาเหลือสองปีไม่รู้จะพอเปล่าพี่น้องครับเวลาคือพิสูจน์ผมแต่งบทกนบทหนึ่งอยากจะรู้กำลังมาว่าแค่ไหนก็ดูได้จากระยะที่มันเหินอยากจะรู้จิตใจคนว่าขาดเกิน อย่าได้มื่นใช้เวลาพิสูจน์คนวันเวลาพิสูจน์หนทางพิสูจน์มาวันเวลาพิสูจน์คนเวลาคือเครื่องพิสูจน์ว่าเราจริงไม่จริงสุดท้ายครับออกัสซินอ่านตรงไหนขอข้อสุดท้ายครับข้อสิบสาสิออกัสซินอ่านตรงนี้เขาได้ค้นพบความหมายเวลาอย่างที่4อยูอย่ตรงนี้เอาไว้ถ้ามีโอกาสผมค่อยมาพูดสาระสารเรื่องเวลาให้คุณฟังหลังเรียนแต่นี่คืออย่างที่4ออกัสซินเจอตรงนี้ ด้วยว่าพระเจ้าจะส่งเอาการงานทุกประการเข้าสู่การพิพากษาพร้อมด้วยสิ่งได้รับทุกอย่างไม่ว่าดีหรือทั่วพี่น้องครับเวลาคืออะไรสุดท้ายเวลาคือการบันทึกทุกอย่างที่ท่านทําในเวลาชั่วคราวนี้ทั้งที่รับที่แจ้งพระเจ้าทําไมไปหมดทําไ ม, ไมหมดบันทึกที่จริงเป็นนักเทศน์นี่ก็ลําบากนะสมัยก่อนเราเทศนะ์นะไม่มีการบันทึกเลยเทปก็ไม่มีบันทึกอะไรบันทึกพูดอะไรก็ได้ าอาจารย์พูด่างนี้ไม่ได้พูดไม่มีหลักฐานเดี๋ยวนี้เสร็จเลยอัดทั้งภาพอัดทั้งเสียงพูดผิดนิดเดียวทอล์ก the เดอะทาเลยพีย่น้องถ้าคนหนึ่งสำนึกว่าสิ่งนี้เ็าทำทุกอย่างมีการบันทึกไว้มันจะส่งผลให้เกิดการอะไรการอะไรครับยับยังชั่งใจการกลัวการยำเกรงสุภาษิตสิบ15าข้อที่สาม พระเนตรของพระเจ้าเฝ้าดูทุกแห่งคนเฝ้าดูทั้งคนชั่วและคนดีพี่น้องครับทุกอย่างที่เราทําในโลกชั่วคราวนี้ท่านได้แจ้งพระเจ้าทรงดูหมดเนื่องจากเป็นจริยธรรมของนักเทศนะผมไม่ฉายคลิปวิดีโอให้ดูแต่เชื่อเถอะมีถ้าอยากดูเดี๋ยวตอนบ่ายฉายดูก็ได้ผู้ช่วยพยาบาลคนนึง่งทำงานโรงพยาบาลแห่งหนึ่งทํางานโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซื้อเหงาะจากคุณป้าคนนึง คุณป้าคุณป้าก็ใจดีเนาะเงาะใกล้หมดแล้วแถมๆกันไงแกเป็นแผงผลไม้ผู้ช่วยเยาบาลสวยแต่งตัวดีพอคุณป้าเริ่เงาะเสร็จเอาไปชั่งกิโลตอนที่คุณป้าเดินเอาไปชั่งกิโลผู้ช่วยเวรบาลคนนี้ทำไมรู้ไหมครับหยิบเงินห้าสิบาทในกระป๋องแม่ค้าห้าสิบบาท เจ้าของร้านที่อยู่หน้าบ้านคุณป้าขายฉายเอาบอกคุณป้าวันนี้เมื่อกี้เห็นอยู่5้าสบบาทถูกจับไปช่องจดสีทีวีเพื่อท่านออกรายการปิดหน้าขอโทษอขอโทษป้าสงสารไม่เอาเรื่องแต่โรงพยบาลต้องไล่ออกคุ้มไหมครับคุ้มไหมครับห้าสิบบาทผู้หญิงันนี้ตอนหยิบนะเขามองอย่างนี้ ถ้าเขามองไปสักนิดตรงสาไฟฟ้านะ่ะก็คงจะไม่หยิบอ่ะก็คงจะไม่หยิบอ่ะดังนั้นพี่น้องขอความกรุณาเวลาจะทําบาปอะไรน่ะมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังนิ่มดีจะทําอะไรก็ดูดีเลยพอไม่มีค่อยทํำไมไม่มีค่อยอะไรค่อยทําอย่าเพิ่งพิศเศษเวลามองเสร็จมันไม่มีกล้องตอนปิดไว้อย่าลืมมองข้างบนด้วย จะลืมจะลืมจะลืมกิจจะลืมพราะสิ่งที่ท่านทาทุกอย่างจะต้องนำเข้าสู่การอะไรครับพิ่ภากษาพี่น้องครับจบเรื่องแล้วได้ฟังกันทั้งสิ้นแล้วจงยำเกรงพระเจ้าแลักษาบญัดทุกองเพราะนี่แหละคือหน้าที่ทั้งปวงของมนุษย์เพราะว่าพระเจ้าจะสซกการงานทุกอย่างเข้าสู่การพิพากษาพร้อมด้วยสิ่งในด้านทั้งปวงไม่ว่าดีหรือชั่วพี่น้องครับคนสุดท้ายของคุณคือพระเจ้า ถ้าคุณฟังพระกามพระเจ้าเข้าใจตั้งนะครับเอาพระเจ้าตั้งไว้ตรงหน้าผูกพันกับองค์เข้าหาพระองค์ใกล้ชิดองค์ผมไม่บอกว่าทิ้งผัวทิ้งเมียนะครับไม่ใช่ตั้งพระเจ้าไว้หลังจากนั้นใช้ชีวิตตามกฎเกณฑ์ของพระผู้สร้างท่านสิ่งที่ท่านทําจะไม่มีคําว่าอนิจจั์ร่างกายของท่านเทียนอนิจจงการลงลุงทุกสิ่งที่ไม่อนิจจงขอท่านใช้กฎเกณฑ์ตามหลักการของพระเจ้าสุดท้ายผมเชื่อว่าไม่พี่น้องที่นี่บางท่านนะครับ แต่งงานแล้วบางคนยังไม่แต่งยังเป็นโสดอยู่นะครับหลายคนก็ที่นี่ก็เป็นโสดอยู่พี่น้องพูดตามผมหน่อยได้ไหมครับพูดตามเลยนะครับเรื่องแต่งงานไม่มีคิวเพราะว่าบางคนได้แต่งบางคนไม่ได้แต่งแต่เรื่องพบพระเจ้ามีคิวแน่นอน ตามคิวนะครับกระโาอย่ารัดคิวให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าสรงเวทผนพระวจะบงในชาวันนี้ที่บัติถิ่นยังรับทั้งหลายให้พระคำพระเจ้านั้นฟื้นใจเราพู้เจ้าข้ายกโทษขอผิดบาบด้วยท่าที่ผ่านมาข้าพเจ้าไม่ได้ตั้งบงไว้ตรงหน้าไม่ได้คิดถึงพรงเลยไม่ได้ผูกพันุพงใช้เวลาใช้ชีวิต แต่ความสามารถใช้เงินทองจะสิบยาพระลังลงังลงทุนกับสิ่งที่ยั่ที่จังโดยลืมไปถึงพระผู้สร้างทําให้ชีวิตข้างลายนั้นไร้าสาระและไม่สามารถทําในสิ่งที่สามารถอวดได้ในวัดขององค์เจ้าได้ขอพระเจ้าทรงเมตตาใช้ประคําบ์ในเช้าวันนี้ฟื้นใจพี่น้องไม่ว่าเราแต่ก่อนเป็นยังไงขอให้วันนี้เป็นวันที่เริ่มต้นใหม่ที่เราจะเริ่มเอาเชียร์จังผูพกพันกับองค์มากยิ่งขึ้นและใช้ชีวิตที่เหลือนในโลกนี้ตามกฎเกณฑ์อันดีงามของพระองค์ที่องค์ทรงกำหนดไว้ ขอพระเจ้าเมตตาช่วยเถิดพระาข้าอย่าให้พี่น้องข้าพงหลายทุกคนเข้ามาห้องประชุมแห่งนี้แล้วออกไปด้วยความว่างเปล่าขอให้พระครับพระเจ้านั้นให้พี่น้องได้ฟังเข้าใจและไม่เพียงแต่เข้าใจจะเข้าไปในใจจนเกิดผล 3. ามบเทบาง60สิบเทบางร้อยเท่บัางตามแต่ที่พระสูงนำขอพระเจ้าอวยพรด้วยเถิดกลับทู่นําองค์พระสุเจ้าเอเมนพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ